เอามาฟังเคสสต๊ดี้กันลูกเขววัดครั้งแรกเมื่อปีพศ2528ขณะนั้นลูกอายุได้17ปีโดยการชักชวนจากพี่สาวลูกคุณป้านับตั้งแต่บัดนั้นลูกและทุกคนในครอบครัวก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมมาตลอดขณะนี้ตัวลูกได้เดินทางมาศึกษาต่อปริญญาเอก ทางด้านวิชาภาษาศาที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทุนจากหน่วยงานแห่งหนึ่งและกลายจาสำเร็จการศึกษาในเร็ววันนี้ได้มีโอกาสไรปรทาบุญปฏิบัติธรรมที่วัดภาวนาดีซีศูนย์เวอร์จินเนียและเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันเป็นประจำเสมอค่ะท า, ง, ง, าศทงศูนย์ในเโอกาดลูกส่งคาถามเพื่อเป็นเคสสตี้ในรายการฝันในฝัน ลูกรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อที่จะได้พิจารณาดังต่อไปนี้คุณพ่ออดีตเป็นวิศวกรรถไฟเสียชีวิตเมื่อปีหนึ่งห้าอายุได้สาสปีด้วยโรคมะเร็งในตับครอบคุัวรังากคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคนี้โดยที่ไม่เคยดื่มเหล้าหลายคน เป็นคนปูและคนป้าของลูกเป็นเมลงในตับกันเนี่ยเห็นไหมสามสิปีกับไปแล้วคุณพ่อเป็นคนใจดีอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงเจ้านายและผู้รับผู้ใหญ่แต่มีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่คุณพ่อทําเป็นการหารายได้พิเศษให้แก่ครอบครัวก็คือเป็นพนักงานขายบัตรผ่านประตูสนามม้าแข่ง เป็นครั้งคราวในช่วงสาวาทิ์คุณตาเป็นคนจีนจึงเ็เรียกว่ากง๋งก๋งเสียชีวิตเมื่อ6กันยายนปี30อายุ8ปปีก๋งเสียชีวิตโดยนอนหลับไปเฉยเฉยหลังจากใส่บาตรในตอนเช้าเสร็จปกติก๋งจะใส่บาตรเป็นประจำแล้วใส่บาตรคราวละมากๆกกับพระหลายรูปก๋งเป็นคนใจดีใจบุญ และใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้อื่นของเคยบวชถวะพร ะ, ระทั้งวัดเป็นประจําและทําทางคราวแล้วมากๆเจนทำอาหารถวายวัดเป็นหับๆคอยดูแลพระทหารกับพระที่มาสอบรเรียนธรรมวันนี้ทําพิธีกรรมเผาศพโงงมีคนมาร่วมงานมากที่สุดเป็นประวัติการของวัดและวันนั้นพระทิดทรงกรดทั้งวันอย่างไรก็ตามขณะที่โง่งมีชีวิตอยู่ คงเคยทำบาปาอติบาตมาหลายครั้งเช่นฆ่าเป็ดฆ่าไก่มาไหว้เจา้าหรือแม้แต่ค่าเป็ดไก่ไปทำอาหารเลี้ยงพระวันเลิกฆ่ามาสิบปีสุดท้ายนี้เองคงมีอาชีพค้าขายประสบความสำเร็จมากแต่ถูกโจรปล้นหมดตัวแล้วก็กลับมาตั้งตัวได้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งคุณยายเป็นคนไทยเสียชีวิตเมื่อปีเก้าสี่ อายุได้34ปีขณะที่ตั้งคันลูกคนที่เจ็ดได้6เดือนเนื่อารเส้นเลือดในสมองแตกคุณยายมีลูกทั้งหมด6คนที่เหลือรอดชีวิตมา2คนคือคุณแม่และน้าชายลูกอีก4คนคุณแม่และน้าชายลูกอีก4คนจะเสียชีวิตหลังเกิดได้ 3-4 เดือนบ้าง 5-6 เดือนบ้างคุณแม่อายุ61ปีข่าวัดครั้งแรกวันอาสารฮบูชาพศ2538 และมาวัดเป็นประจําทุกอาทิตยคุณแม่บอกบุญสร้างองค์พระและทําเองได้กว่าหนึ่งร้อสบองค์<า>ไม่เคยบกพร่องในการนําทารักษาศีลเจริญภาวนาคุณแม่เป็นลูกกัมพาราตั้งแต่อายุสิบขวบเป็นม่ายตั้งแต่อายุ29ปีและก็ไม่ได้แต่งงานใหม่มีบุตรคือลูกเพียงคนเดียวชีวิตหลังจากเป็นม่ายค่อนข้างลาบากเพราะมีอาชีพเป็นช่างเย็บเสือ้อ รายได้ไม่มากปัจจับันคุณแม่มีโรคประจำตัวคือโรคความดาันโลหิตสูงสูงมากพาอแพทย์ไปประจําแต่ก็ยังไม่หายและเมื่อสิบปีก่อนก็เป็นงูสวัสดิ์ที่คอด้านซ้ายส่งผลให้ทุกวันนี้มีอาการคอตั้งและปวดศีะด้านซ้ายเป็นประจําคุณพ่อทํากรรมอะไรมาคะถึงได้อยุสั้นและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ตับทั้งที่ไม่เคยดื่มเหล้า คุณพ่อไปอยู่พบภูมิไหนได้รับบุญที่ลูกและคุณแม่อุทิศไปให้หรือไม่คะการขายบาด่านประตูนในสนามม้าแข่งมีผลกรรมและจะส่งผลอะไรกับคุณพ่อหรือไม่คะคงตายแล้วไปอยู่พบภูมิใดการฆ่าเป็ดไก่เพื่อทาบุญจะมีผลกับชีวิตอย่างไรกงทำกรรมอะไรคะถึงได้ถูกโจปรปล้นจนหมดตัวคุณยายเสียชีวิตแล้วอยู่พบภูมิไหนคะ กรรมบารัยทให้คุณญายเสียชีวิตขนาดตั้งครันและกรรมบารัยทำให้เสียลูกไปหลายคนเมื่อโลกอายุเพียงไม่กี่เดือนคุณแม่ทําการบารัยคะถึงทำเป็นโรคความดันโลหิตสูงและยังได้รับผลอย่างงูสวัสดจนถึงทุกวันนี้จะแก้ไขได้อย่างไรคะจะต้องทาบุญอะไรที่จะส่งให้บรรพบุรุษที่ลงรับไปแล้วได้รับผลบุญอย่างแรงกันทุกคนคะอะเรามาฟังกันเลย ฝันในฝันหลับตาแล้วฝันไปนะจ๊ะหลับตาฝันไปเป็นตุเป็นตะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังพ่ออายุสั้นเพราะเคยเป็นทหารในอดีตชาติแลวใช้ดาบแทงค่าศึกตรงชายโครงบริเวณตับจนเสียชีวิตกรรนิตามมาทัน เลยทำให้เป็นมะเร็งที่ตับตายทั้งๆที่ไม่ได้ดื่มเหล้าและอายุสั้นกัรปฏิบัติตายใหม่ๆวนเวียนอยู่กับครอบครัวนานเป็นสิบปีเราเป็นห่วงครอบครัวหลังจากนั้นก็ค่อยๆคลายความผูกพันและก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้ชายขณะนี้อายุราวสิบกว่าขวบเป็นเด็กผู้ชาย การที่พ่อเคยไปขายบัตรผ่านประตูสนามม้าแข่งนั่นก็มีเศษกรรมบ้างแต่กรรมนี้ยังไม่ถึงกับส่งผลให้ไปลงอบยัยถ้าส่งผลก็จะเป็นอย่างนี้คือเช่นอาจจะเป็นโรคหอบหืดเพราะม้าแข่งมันเหนื่อยหรือเกิดในตระกูลที่พิดามันดาหรือพี่น้องเล่นการพานันแข่งมา้า ซึ่งจะทําให้เราไม่สบายใจเพราะมีเชื้อพวกนี้ติดไปจ้ะเนื่องจากสนับสนุนการแข่งม้าทางอ้อมก็คือมีเศษกรรมบ้างอาจจะเป็นอย่างนี้ย ค, คือเชื้อมันจะดึงดูไปเกิดในครอบครัวที่มีเชื้อการพนันอย่างเงี้ยแล้วทําให้เราไม่สบายใจหรือเป็นโรคหอบอืดบ้างอะไรกองถูกโจมปล้นจนหมดตัวก็เพราะ เป็นเศษกรรมจากชาติในอดีตในว้หนุ่มได้ถูกเพื่อนชวนให้ไปเป็นโจรและร่วมปล้นจ้าทรัพย์แต่ต่อมาภายหลังก็เลิกจะมีกรรมที่ถูกโจรปล้นนะนะพอไปปล้นเขาก่อนทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นการฆ่าเป็ดกายทำบุญมีผลแจ้าคือถ้ามอดาบุญหย่อน ในช่วงนั้นคงก็จะอายุสัน้นเพราะกรรมได้ช่องบาปได้ช่องนจะทายเป็นโรคภัยร้ายแรงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเสียชีวิตก่อนวัยอันควรคือถ้าบุญยังหล่อเลี้ยงอยู่เพราะทำเอาค่าไปทําบุญะบุญยังหล่อเลี้ยงก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหาบุญหย่อนหรือว่าบุญย่แยมก็หมดก็ไม่เลยๆถ้าหาไม่เติมบุญเพิ่มขึ้นบาปได้ช่องก็จะทําให้ เป็นโรคร้ายแรงอายุสั้นอย่างใดอย่างหนึง่งคงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นไปเป็นครุฑครุฑชั้นสูงรูปลอขนสีทองสวยงามมากชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานเป็นทองจ้ากรรมที่คุณยายได้เสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ก็เพราะเป็นกรรมในอดีต คุณยายได้มีสามีสามีมีอนุภรยาในบ้านเดียวกันแล้วก็อยู่ร่วมบ้านเดียวกันต่อมาอนุภรยามีคันแล้วก็คลอดลูกออกมาคุณยายในชาตินั้นก็เลยกลัวว่าในอนาคตถ้าลูกของอนุภรยาโตขึ้นจะไม่มีส่วนในทรัพย์หรือคุมทรัพย์ทั้งหมดคุณยายจึงใช้ให้คนรับใช้ ในบ้านนะ่ะไปแกล้งทาลกแกล้งเด็กขณะเด็กนอนงายก็คนใช้จับนอนควม่มจะได้หายใจไม่ออกเขาตายเนี่ยเป็นต้นในเวลาในขณะที่เด็กอายุแค่ไม่กี่เดือนครั้งสุดท้ายนุพริยาก็มีลูกอีกจึงได้ใส่ ย, ยาพิษไปในอาหารที่ละน้อย จนอนุภรรยาแทงและตายทั้งแม่และลูกเศรรมนิจจึงทำให้ยายเสียชีวิตในขณะตั้งครรภ์และลูกตัวเองตายไปหลายคนโดยอายุได้ไม่กี่เดือนคุณยายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงนานแล้วและกะ็โตแล้วเกิดเป็นคนตอนนี้คุณแม่เป็นความดาลิหิตสูงและงูสวัดเพราะกรรมแนอดีตคุณแม่เกิดในสังคมกเกษตรกรรม การสัต์อาหารและบางครั้งดูแลสัตว์ดีบ้างไม่ดีบ้างเช่นปล่อยสัตว์ให้ตากแดดตากฝนให้เป็นโรคและก็ไม่ดูแลรักษาปล่อยให้ตายไปเองหรือบางครั้งกระทบหรือตีหัวปลาเพื่อทำอาหารจึง ท, ทำให้ประวิศาส์้างซ้ายส่วนกรรมที่เป็นงูสวัสดิ์กับเลาะบางครั้งก็จะเอาเชือก ผูคอวัวควายล่ามเอาไว้แล้วก็รัดมันแน่นมันก็พยายามดิ้นให้หลุดจนเชือกเนี่ยบาดคอเป็นแผลนกรรมนี้ทำให้คอเนี่ยมีปัญหาก็ให้ทำบุญทุกๆบุญแล้วที่ส่นสนให้คู่กรรมคู่เวรรวมทั้งปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเนียจ๊ะ ลูกก็ต้องทำบุญทุกทุกบุญและจ้าทั้งทานศีลภาวนาให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทำและกระติด ส, ส่วนไปให้จ้า